พาเม th oh. mm ืองไทยนี starters, <hay wurde iente> ่ใหญ่แท้พิซซ่าเมืองไทยโอ้เมืองนอกยังเล็กกว่านี้นะสู้เมืองไทยไม่ได้เขาว่าเราไปชันอาหารอเมริกาได้เลยมีแต่พิซซ่าเอ้ยมีแต่อะไรตัวอะไรเอ้ยเราไปเจอพิซซ่าอย่างเดียวโอ้อยู่ได้เลยขนมนมเนย ตีนไขมันอยู่ในนั้นหมดเลยไม่เหมือนเมืองไทยเราดิโอ้อยา่นี้เราเจออย่างเดียวเราอยู่ได้เลยสราอย่างอื่นเราไม่สนปิซซ่าเราโอ้จะไปชันอาหารอาเมริกาได้เลยโอ้โอเขาเล็งแต่คุณค่าของอาหารทั้งนั้นเลยเราดูไม่ออกเราไปหาแต่ซูชาซ่าเหมือนตำมาหุงเผ็ดๆอันน่ะ มาแซบ่บไม่มีคุณค่าอะไรซุปนอมอไม้มีวิตามินอะไรซุปนมไหมหมอเอิเขาเขาพูดเลยเา็าบอกไม่มีไม่มีเอ๊ไม่ ม, ม, มีทำไมมันแซ่บแท้ พีดซ่ามาเลี้ยงอะไปเลี้ยงในครัวเนอซ่า ม, มันนอกว่ะนี่ฮะอืมนนอกอ่ะมันก็คงจะพอๆกับมะม่วงของเราแถวนี้มัง้งมากอันไหนดีๆจงไว้เอาไปขายมดไม่ได้กินเลยเจ้าของอ่ะนี่ก็เหมือนกันเลยเนี่ย ใช่ Bye. เลี้ยงแล้วแถาดเปล่าต้น่ะฮะถ้าถาดเตมันจะไปดังได้งไงฮะพุทราเอ่ยมะม่วงเอ่ยนี่เจ้าขอไม่กล้ากินนะพุทราเอ่ยมะม่วงเอ่ยเจ้าขอไม่กล้ากินทำไมถึงถึงไม่กล้ากิน หนึ่งสงวนหมากดีๆเอาไว้ขายสองยามันแรงเกินไป เียนไว้แล้วก็ให้เขาเอาไปปันนนปปป่นกันในครัวไปแบ่งไปปั่นกันในครัวฮะอ๋อเอาไปเป็นของขวัญตลอดปีใหม่นี้นะเอาไปตั้งไว้ดู <laughs> ับเียไว้นี่ก็ได้ตัวรับเขียนแล้วไว้นี่ด เ, นววนเดี๋ยวให้ในครวลงไปอ่ะลงไปที่เล็กมาบอกเมื่อกี้บอกแล้วต้องมาจัด ก, การดิไหนอ่าอ่าอืเอาไปไว้แล้วแต่จะตั้งเอาไว้ดูตลอดปีใหม่นี้ก็ได้ไ บุญดีนะผู้ใหญ่ท่านมีวิสัยทัศน์ท่านได้มีเทศกาลและก็ให้ท่านกระทำท่านก็ให้ทำบุญอย่างน้อยได้ช่วยดึงเราได้ระยะหนึ่งแท้ที่จริงเพื่อประโยชน์ของเราเองไม่ใช่เพื่ อ, เ พ, อเพื่อใครวันนั้นวันนี้สงกรานต์ปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาสงนั่น วันงานนู้นงานนี้งานครูบาอาจารย์อีกเนี่ยมกรายอย่าลืมสามสิบมกราเนี่ยหลวงตาเนี่ยแล้วก็ประทายข้าวเลยนะประทายข้าวด้วยบุญรำลึกหลวงตาด้วยที่บรรตาอย่าลืมใครได้ข้าวคนละร้อยสองร้อยกระสอบสามร้อยกระสอบเอาบุญ จากสิ่งที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราก็ถือว่าเป็นบุญที่บริสุทธิ์พกข้าวเนี่ยข้าวที่บรรดาเนี่ยทํามาตั้งแต่หลวงตาโอ้ยเขาทํามาเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเพราได้เวลานี่ยเขาก็ทําบุญประทายข้าวประทายข้าวเอาไปถวายวัดถือว่าอันนี้คือผลงานคือผลจากน้ำพักน้ำแรงของเราเขาเปลือกเอ้ย ผลทาง ก, รกา ร, กรเกษตรเอ่ยนี่เอามาทำบุญถือว่าเป็นน้ําพักน้ําแรงของเราเอามาอะไรก็คืออันนั้นเป็นถั่วเป็นแตงเป็นเนป็น ผ, นนผักนู้นผักนี้เอามาก็ได้ใช้สอยเลยแต่ถ้าเป็นจตุ ป, ปัจจัยต้องเอาไ ป, ปไปเปลี่ยนอันนี้ของเราเอามายัางไงก็ได้ยังไง ยิ่งเอามาจำเพาะที่จะเข้าปากตอนนี้ด้วยแล้วเ่แน่นอนเลยแหละไม่ไปไหนแหละเข้าปากแน่ๆเลยบุญนีอยู่เฉยๆบุญไม่เกิดนะบุญจะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีกิริยาประกอบกิริยากายเอากายไปประกอบบุญไปหยิบไปช่วยไปยกไปทำความสะอาดไ ป, ไปนู่นไปนี่ กิริยากายสี่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือไปนอบน้อมไปกราบไปไหว้ไปสํารวมไประวังเนี่ยกิริยาของกายทําให้เกิดบุญอยู่สบือซื้อเฉยเฉยไม่เกิดบุญไม่เกิดถ้าไม่มีกิริยาประกอบกิริยากายกิริยาวาจาคําพูดพูดดิพูดดีพู ด, ด, พดให้กําลังใจพูดมีเหตุมีผลพูดชีน้นําพูดชักชวนพูดให้ทําบุญ เรียกร้องบอกกล่าวให้ทราบข่าวโน้นข่าวนี้เป็นไปเพื่อคุณงามความดีเอาปากทำบุญที่สำคัญคือเอาปากมาสวดเหมือนอย่างพูดเอาสวดเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยสวดรวมแล้ว3าชั่วโมงนะเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเมื่อคืนเนี่ยเราสวดมหาสตินะ่ะตั้งเกือบชั่วโมงแล้วนะมหาสติแค่สองท่อนนั่นนะตันงเกือบชั่วโมงอะท่อนแรกเราก็สวดไปชั่วโมงกว่า ท่อนสองเราก็สวดไปชั่วโมงกว่ารวมไปแล้วสามชั่วโมงแล้วว่าง ไ, ไม่ตกสามชั่วโมงเลยเมื่อคืนเอาปากมาทําบุญปากก็ดูหนังสือแม้แต่จะดูหนังสือในหนังสือ น, นั้นคื อ, อคือสื่อความหมายไปหาธรรมในหนังสือ น, นั้นเป็นการจดจารึกเนื้อหาของอัดของธรรมธรรมที่แท้จริงมันเกิดขึ้นที่ใจมันอยู่ที่ใจ แต่หนังสือนะคือร่องรอยเป็นสือ่อทำใ ห, ให้ใครไปถึงใจอีกทีหนึ่งมีผลมีอนิสงนะในนั้นนะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นนะะบทที่เราสวดเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาทิตตปริยายะสตรเมื่อคนะืนเราก็สวดจะสวดอนับด้วยสวยดธรรมจักด้วยวสวยดไม่ทันถึงกระนั้นก็ตามเวลาก็ล่วงเลยไปทั้งเยอะอืได้เวลานั่งภาวนานิดหน่อยสวยด ถ้าเราเอาอาทิตย์โดยอนัต ด, ด้วยเราไม่ได้ภาวนาแหละเมื่อคือเราสวดเนี่ยอาทิตตะปริยยสูตรอาทิตตะปริยยสูตรเนี่ยท่านพูดถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกท่านพูดถึงวิญญาณหกพัดศกสหกเวทนาหกทั้งหมดนี้เป็นของร้อนเพราะท่านไปสอนพวกเชดินพวกเชดินเนี่ยเขาบุยชาไฟ พวกเชดินนะเชะดินสาพี่น้องนะมีบริษัทบริวารรวมกันเป็นพันรวมทั้งหัวนหวน้าทั้งสามเนี่ยเป็นหนึ่งพันกับสามตนเขาเรียกตนนะพวกเชดินพุทธิจถาไปทรมานเป็นระยะเวลาโน่นนานกว่าอุรุเวลาคัสปะจะยอมรับพระอุรุเวลาคัสปะเนี่ยสาคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหรันต์อุรุเวลากัสปะเนี่ยพุทธิจถาไปทรมารด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยอภิญญาสารพัด ทึงอยู่ในหัวใจเนี่ยทึ่งอยู่ยอมรับอยู่แต่ในใจยังเหนือคิดอยูอ่พระสมณะโคดมเนี่ยมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์นี่คือรู้ละศัพท์นะพุทธเจ้าไปทรมานแล้วทรมานเล่าจนเป็ น, ปนพันพันพันอย่างนะด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้ว ย, ว ย, วยอภิญญาแต่ข้างในของเขาเนี่ยยอมเรื่อยยอมรับเรื่อยรับเรื่อยรับเรื่อย คือไอ้ทิฏฐิวันนั้มันเริ่มลดลงลดลงลดลงลอดลองเพราะเหลือวาระสุดท้ายอ่ะอวันนั้นฝนตกน้ําท่วมบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็ท่วมน้ําท่วมเป็นเม็ดเพื่อน อ, ะอ่ะเชดินก็เลยปรึกษากับลูกศิษย์ไปดูไปดูพระสมมโคดมไม่ให่น้ําพัดหายไปแล้วเหรือไปพระกันเจ้าเรือไปอ่ะพปลองก็เดินจนกลมอยู่ท่ามกลางน้ําลน่นะ ไอ้ตรงที่ทางจงกรมของท่านเนี่ยน้ามันกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําเองเนอ่ยไม่มีใครไปกั้นหรอกนั่นบุญญาบา ร, รมีดอาจงกรมที่ฝุ่นครุ้งโอ้อัศจรรย์มากมาดูมาดูมาดูนี่พระสมณะโคดมเนี่ยด้านจงกรมสบายใช่เลยน้ํากลายเป็นกําแพงกั้นน้ํำสิเองนี่คือฤทธิ์เดชอนุภาพแต่ก็สู้เราไม่ได้เราเป็นผ้ารัานแต่พอมาถึงตอนนี้ใจมันยอมเต็มร้อยนะใจข้างหน พุทธิาจาท่านดูข้างนอกด้วยท่านดูข้างในด้วยไม่เห็นว่าเขายอมเตรมร้อยใส่เลยทีนี้กัส ป, ปะเธอสำคัญแต่ว่าเจ้าของเป็นพระอรหารแท้ที่จริงข้อปฏิบัติที่เธอทำนี่กะที่เธอจะทำเพื่อความเปลี่ยนพระอรหารเธอก็ยังไม่รู้จักโอ้หัวเขาอ่อนโยบกราบปลุกปลุกปลุกขอบวชเอาเครื่องทรงของชดีนไปลอยน้ำเอหิภิกขุประสัมทา บริท บ, บ, บริบขาเนี่ยลอยมาเองเลยอคนน้องนงัคนน้องอยู่ถัดไปน้ำมันไหลเนี่ยไม่น้ำขยามันไหลคนน้องเห็นเอพี่ชายเรามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นพากันยกพวกมาบวชลองไปถึงน้องสุดท้ายรู้ละกษัปะนัดทีกสัปะขยากสัปะพากันมาบวชหมดหลังจากบวชเสร็จแล้วยังไม่ได้พูดถึงว่าได้คุณธรรมอะไรนะ พระพุทธเจ้าพาไปเทศที่ขยาศีสะนี่อาจารย์กีรวัตท่านไปคราวที่แล้วท่านไปดูมีคนเข้าไปอยู่ไปดูขยาศีสะเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตะปริยายาสูตรให้กับพวกชดินสูตรว่าด้วยของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงจิโวิญาตาธรรมารมจุวินญานสตะวิญญาณคณะวิญาาวญาณ พัศห์เวทนาหกเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะคีนาโทสัคีนามหหคีนาร้อนเพราะไฟคือราคะโทสัมุหะพราะเราเราจะเรียกเป็นไฟได้หรือพวกเราทำไมมันติดอกติดใจเหลือเกินแต่พุทธิจารย์ท่านทรงตรัสว่าไฟคือราคะโทสโมหะเราดูไม่ออกว่าอะไรคือไฟเราเคยเห็นแต่เปลวไฟมันแล็บก่นหมอนเล็บดับดับดับบดับบดับบอันนั้นคือไฟ แท้ที่จริงไฟคือความร้อนแท้ที่จริงไอ้ที่เราเห็นแล็กๆนั้นไม่ใช่ไฟด้วยซ้ําไปมันเห็นแค่สีซะนั้นเองอยากรู้ว่าเป็นไฟต้องเอามือไปแย่นะใครรู้จักมาทดสอบอย่างนี้เลย เ, ยเอาไปเหย่เทียนลองดูที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ไฟนะั่นน่ะไฟเราจะต้องไปสัมผัสเราเอามือไปแ ย, ดย่ดูทูขอนนู่นไปแย่ดูถึงจะรู้ว่าไฟ ท่านทรงแสดงสูตรไฟพอแสดงเสร็จหมดท่อนหนึ่งไปแล้วพอท่อนที่สองก็กล่าวถึงเช็ดินเหล่านั้นฝังแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในตาในหูในจมูกในเล่นในกายในใจเบื่อหน่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเบื่อหน่ายในวิญญาณหกในผัสสะหในเวทนาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายจิตก็หลุดจิตก็พผลจากอาสวะทั้งหลายที่มันเคยพายดพาศัดิ์ บรรลุเป็นพระอรันทั้งหมดห น, นึ่งพันกับสามตนหนึ่งกลายกันหนึ่งพันกับสามองค์นี่คือตํานานคือต้นตอที่มานีเราพูดถึงฤทธิเดชอภิญญาที่พระพุทธเจ้าท่ร ง, งแสดงแก่พวกเชดินเชดินเขาบูชาไฟเนีเราพูดถึงอะไรถึงไปถึงพวกเชดินเราพูดถึงเมื่อคืนเราสวดอธิตฐปริยัยสูตรนะแตร่รอบแรกเราก็สวดเจ็ดตำนานไป สวดเยอะเลยสวดเจ็ดตานานพาหงด้วยอะไรด้วยสินระยะเวลาเกือบชั่วโมงครึ่งพอรอบสองเราก็สวดอธิตปริยายาสูตรเราก็สวดมาสติประธานบทสมุทั ย, ยสัจบทนิโรธรสัจสุทัยสัจคือเหตุเกิดของตัณหาที่เกิดของตัณหานิโรธสัจที่ดับ ของตันหาที่ละของตันหานพูดถึงต้นตอของตัวเจ้าตัวจอมที่มันมัดเราไว้ในวัฏฏสงสารกันเลยคือตันหาเราอยู่อย่างนี้เราย้อนมาดูที่ใจของเราความอยากของจิตที่มันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันดิ้นรนเขาเรียกว่าจิตที่ดิ้นรนจิตที่ทะเยอทะยานจิตไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มันขณะมันเปลี่ยนปับป๊บปับ๊บปั๊บ หนักคิดภาษ า, าหลักอภิธรรมที่ละเอียดเข้าไปเขาว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับด้วยเหตุด้วยปัจจัยเกิดดับด้วยตัวของมันเกิดดับด้วยเหตุด้วยปัจจัยแต่ในระหว่างที่มันเกิดดับอยู่นั้นมันมีสิ่งที่ผลเปื้อนอยู่ในนั้นก็คือราคกคีนาโทสักคีนามหะคินานึงมันผลเปื้อนอยู่ในนั้นเราเอาผู้รู้เราไปซุกไปซ่อนที่ไหนมันถึงไปผนเปื้อน หากมันพัฒนามาด้วยตัวของตัวมันเองมันมาด้วยกันเองมันเป็นเนื้อเป็นหนังของของมันเองกิเลสทัณหาอาสวะกับจิตเรากับผู้รู้เรามาด้วยกันแต่หากมาไม่บริสุทธิ์มาประกอบไปด้วยสิ่งที่ปนเปื้อนมาแต่คุณสมบัติของใจนั้นอ่ะมีทั้งคุณสมบัติมีทั้งคุณอยู่ในจิตคือผู้รู้มีทั้งโทษอยู่ในผู้รู้โทษก็คือกิเลสัณหาอาสวะนี่แหละ มันเป็นฝ่ายทำให้เสื่อมทําให้ทําลายทิ่ที่เป็นคุณก็คือเสียดสิ่งที่เป็นธรรมคุณสมบัติชั้นเยี่ยมที่มีอยู่ในใจพวกเราก็คือสติความปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้โ ร, โร่อยู่ในทุกคนมีได้สร้างได้ปลุกได้เรามานั่งภาวนาะพุโทโธพุโทโธพุโทโธคือเราพยายามเอาสติของเรามาปลุกจิตคือผู้รู้เราให้ตื่นถ้าเราไม่ปลุกจิตนี่จะดับติดนี้ จิตนี้จะจมจิตนี้จะไม่ฟูจิจตจะไม่ลอยจมฟูไปกับนิวรพนิวรเนี่ยมันแช่ด้วยกันมาเหมือนของดองนะ่ะมันแช่อยู่ในในน้าอยู่อย่างนั้นแหละแช่กับน้ําดองคืออาสวัดองเราไว้ในพในชาติเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้รู้ไม่ได้มันหมักมันดองอยู่อย่างนั้นแหละแต่ด้วยเหตุที่มีจิตที่มีคุณสมบัติมาด้วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้า สร้สารบารมีมารู้ช่องทางที่จะออกจากช่องช่อ ง, องทางตรงนี้จนพระองค์เนี่ยสมัครออกไปได้เอาวิธีการนี้แหละมาสอนพวกเราพระอัญญาโกฏัญญาเป็นองค์แรกออกตามพระองค์ไปได้ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งโอ้ธรรมะที่เราทรงแสดงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่นี้ที่แสยกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นหลักอ่าเห็นสิ่งที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ปรากฏ ถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงคืออันนีจังทุกครังอนัตตาเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับของภาวะความเป็นกายของเขาภาวะความเป็นใจที่ปนเปื้อนกับกิเลสทีนี้ก็พยายามละพยายามวางแต่เครื่องมม้เครื่องมือที่ทํางานนั้นอ่ะตล่อมหลอมรวมกันเป็นเป็นสติธรรมเป็นปัญญาธรรม ขัดเกลาอยู่อย่างนั้นแหละขัดสีอยู่อย่างนั้นเป็นตะปะแพร์เผาอยู่อย่างนั้นแหละจนสิ่งเหล่านั้นหึเงเหงดแห้งไปจากพระคัจจสันดานของพระองค์เอาวิธีการนั้นมาสอนพระสาวกพระสาวกก็จาะเข้าไปเอาตะปะทําแพร์เผาเข้าไปความรู้ความเข้าใจก็เกิดขึ้นก็มีขึ้นเป็นความรู้เป็นญานณทัศนะที่เรียกว่าเป็นปัญญาญาณเหมือนอย่างพระัญญากลทั ญ, ญญาได้ปัญญายานขั้นแรกด้วยบท ทำที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คืออนนี้จังทุกอยางอนัตตานั่นเองความรู้ทำความเห็นทำความเข้าใจในกายได้ละวางปล่อยจากการยึดมั่นถือมันในกายว่าไม่ใช่กายเราไม่ใช่กองของเราที่เรียกว่าละสกายทิฏฐิมีความยึดถือมีความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราคนเราถ้าหาเราปล่อยให้อัตตา คือเรามันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันรวมหยดลงอยู่ในนั้นหมดความถือเนื้อถือตัวความหยิ่งไปยอ้องความโออวดความอะไรต่ออะไรสารพัอ่ะความผองเนื้อผองตัวอะไรสารพัดมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดอืมความถือหยิ่ง ถ, ถือสักถือสีถือเกียรติถือยดถืออะไรต่ออะไรสารพัดเลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทะเลาะบอกแห้งกันอยู่บนโลกใบนี้กับสิ่งเหล่านี้ เพราเราไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ที่ยุ่ยอยากให้เรามีให้เราเป็นก็ตัวความรู้สึกหลอกเราว่าเป็นตัวเป็นตนเรานีเองเพอเวลาดูให้เข้าถึงสัจจะตามธรรมะพระอัญญาโกณชัยตท่านสรงสกระแสจิตไปตามธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านย้ำอริยสัจสละเอียดนะทุกสมุทัยนี่รอดมากท่านย้ำละเอียดเลยนะรอบกอัดสามอาการสิบสองท่านย้ําละเอียด นี่มันเป็นอย่างานีง้เป็นนี้เป็นนี้ข้อเท็จจริงเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราจะไม่ปฏิญาณนะว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะเต่ดเต queda, ana, มด้วยเหตุที่เรามีญาทัศนะเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นมาด้วยเหตุที่เรารู้เราเห็นอย่างนี้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาติการก่อนเราจรึงปฏิญาณว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะเธอทั้งหลายต้งตั้งใจฟังเราจะแสดงทําให้ฟัง บอกถึงขนาดนี้นะบอกปัญจวัคคีย์ปานนั้นบางท่านก็ยังไม่ลงใจนะด้วยเหตุที่ไม่ลงใจนะั่นแหละจึงได้แค่พระอัญญาโกณทัญญาโองเดียวนอกนะั้นมารู้ลงใจหรือไม่ลงใจเเพราะตอนจากพระพุทธเจ้าไปเสีย อ, อกเ ส, สียใจร้องห่มร้องไห้อุตส่าห์เสียสละอยากบ้านจากเรือนไปตามอุปธรรมประาด้วยวิธีการที่ว่าอัตกระมณฑานุยกพอทําไปทําไปทําไปอดพระกรยาเก็บอกว่าอดให้ตายเนะี่ยถึงจะได้กาดได้ทํา พุทยาท่านมีสัมมาสัมพุทธะมาเตือนเนี่ยมีความรู้ที่เป็นผู้ที่จะทัสนุปเป็นสัมมาสัมพุทธะมาเตือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์เลยมาค้นหาด้วยวิธีของพระองค์เองแต่ว่าสมาธิสมาบัติพระองค์นั่นทั้งรูปสมาบัติทั้งอารมณสมาบัติกันหมดจดเจา อ, อยู่ยังไงจิตมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เหมือนพวกเราจับใส่แลหลุดไปจับใส่แล้วหลุดไปจับใส่แล้วหลุดไปมันดื้อแต่พระองค์สร้างมาบำเพ็ญมา ระยะเวลาเนิ่นนานทาอะไรได้ง่ายหมดสะดวกหมดเพราะมันเป็นพระชาติที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นวรณะสุดท้ายที่พระองค์จะหลุดรอดไปจากกรงขังกรงข่ายของวัฏจักรเนี่ยจึงเป็นเหตุให้พระองค์ชนะหมดทุกอย่างอะไรที่ยากที่สุดพระองค์ชนะหมดอะไรายากที่สุดพระองค์ชนะหมดแม้แต่น้ําดองคืออาสวะที่ดองเราไว้ในภกในชาติพระองค์ก็สามารถรู้เห็นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจ สิ่งเหล่าน้นกลายเป็นสัจธรรมที่พระองค์มาสอนพวกเราเนี่ยพระยาคกณธรรัญะทรงกระแสจิตตามนะเกิดความรู้โอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัว ต, วตวนของเราเพียงแต่ทาความรู้จักจเฉพาะกายเท่านั้นอนะ่ะที่เรียกว่าละสักกายทิฐิเราเนะี่ยมันประกอบไปด้วยขันห้ามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีเวญญาซึ่งเป็นส่วนของนามยังจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นธรรมะ ขั้นที่จะสูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกแน่วันที่สองก็ได้อีกองหนึ่งวันที่สามวันที่ ส, สี่วันที่ห้าได้หมดทั้งห้าองค์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนัตตลักษณะสูตรนะอนัตตลักษณะสูตรคือหมายว่าแสดงว่าทุกคนไม่ใช่อัตต่อัตต์ไม่มีในเราเป็นอนัตตาทําไมจะรู้จะเห็นว่าเป็นอนัตตา ให้พยายามใช้สติใช้ปัญญาพิจารณากำหนดจดจ่อไล่กลดไปไล่กลมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พวกเรามาแยกเป็นธาตุอ๋อนี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอ๋อนี่เป็นผอมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังพยายามแยกเพราะสัญญามันหลอกมันหลอกว่าไอ้ที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละคือเราเป็นเรานอกจากนั้นแล้วความรู้สึกที่มันหลอกมันหลอกอยู่ในหัวใจเรามันหลอกว่าเป็นอัตตา เลยเห็นสัจจกความจริงของธาตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ว่าโอ้ักด์ทวาเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟการที่เคยยึดถือสำคัญมั่นหมายเต็มร้อยมันก็นลดลงมาแต่ลดลงมาไม่หมดดอกไม่ใช่ลดลงมาหมดนะยังไม่หมดละละละตามทั้งหลายละยังไม่ได้หมดละส่วนที่เป็นรูปละได้รู้ได้เข้าใจได้แต่ยังเหลือส่วนที่เป็นนามพรามันไม่ยึด รูปมันก็ไปยึดนามนามก็คืออะไรสิ่งที่เป็นสัสญญาอารมณ์มันไปอยู่กับจิตเท่านั้นจิตนี้เป็นนามเหมือนอย่างราหลับตาเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงรู้เรื่องราวนึกคิดอะไร อ, อะไรได้สารพัด ส, สิ่งที่ล่วงไปแล้วนั่นแหละมันไปตกค้างอยู่กับสิ่งนั้นแ่ะตามพิจารณาตามต้นดูข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจึงไปปล o ปล่อยตรงที่อนัตตาสัพเปธมาอนัตตา บรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นส่วนของโลกิยะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาอย่างนี้เพื่อเป็นการทําลายตัวตนเพราะตัวตนมันเผลขึ้นมาตัณหามันก็เผลขึ้นมาตัณหามันเผลขึ้นมาตัวตนมันก็เผลขึ้นมาเราพูดอย่างนี้เราดูมาที่ใจของเราเวลามันเผล่ขึ้นมาถ้าเราพยายามจับได้หนึ่งครั <the <the ้งสองครั้งสามครั้งจับได้จนชินนี่เป็นข้อปฏิบัติจะทําให้เรารู้จักที่มาที่ไป ที่เกิดของมันที่ดับของมันที่เกิดที่ตั้งอยู่ที่ดับของมันอคือตัณหาตัวเจ้าตัวจอมตัวความกระดกกระดิกพลิกแผลงตัณหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานท่านแปลว่าความลิ้นรอนความทะเยอทะยานของใจใจไม่เคยอยู่สุขใจไม่เคยหยุดนิ่งทีงนี้ไอความที่เขาเต้นวิ่งรับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านะั้น่ะตัณหามันได้ช่องกระสมนร่อย ถ้าเราขาดสติขาดสัมปัสจันญะตันหาได้ช่องมันก็สวมรอยตันหาได้ช่องแทกปับตันหาแทรกเข้ามาปับอัดตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้ในมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาถือเนื้อถือตัวขึ้นมาทันทีตัวเราตัวของของเราเราไม่ต้องดูที่อ <acht laisser effort> ื่นเราดูลูกของเราเราดูตัวเราที่เราถือกับพ่อกับแม่เนี่ยตัวเราตัวเราของเราเนี่ยบางคนถือสําผัสมั่นหมายว่าเราอัตตาตัวตนของเราเนี่ยแหละสามารถฆ่าพ่อได้คฆ่าแม่ได้ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่นะดูที่มันทําให้เราหลงยึดถึงขนาดไหนมีใครบ้างเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มีมีเตวิญญาณไปจับจองอะ่ะได้โครงสร้างมาจากพ่อจากแม่เจริญในท้องแม่นะ่นะหลุดเลือดหลุ ด, ล ด, ลดเนื้อแม่กินมาตลอดนั่นนอะที่แรกอาศัยเลือดเนื้อของพ่อของแม่ผสมกันจากนั้นแล้วก็ได้โครงสร้างขยายม่เรือ่อยขยายม่เรือ่อขยายม่เรือ่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิมดอกนั่นเป็นทุกขขัน เปลี่ยนไปเปลี่ยนอันิื่นอนยงนี่ลักษณะของไตรลักษณ์มันมาตรงนี้เระดูตรงนี้แล้วเราจะเห็นชัดพิพจารณาย้อนมาที่กายของเราจะได้พิจารณาย้อนมาที่ใจของเราที่สัญญาอารมณ์มัาหลอกลวงเราเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราก็คือมันมาปนมากับสัญญาอารมณ์คือสิ่งที่ใจของเราไปรู้นะ่ยมันมาหลอกใจหลอกใจใชเองอารมณ์ที่ใจมันสร้างนั่นแนหะมาหลอกใจใชเอง เราณ์พจัยมาสร้างแล้วหลอกใจเสียคืออะไรก็คือสัญญาลงังรู้ที่มันวาดถึงสิ่งที่รักที่ชอบใจที่สุดมันวาดสวยหรูแต่ถ้าเราของจริงมาดูเฮ้ยมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราปล่อยให้มันวาดมนโนภาพในใจโอ้โหหลอกเสียรูเสียเยอะไปเลยพยายามดูให้เห็นข้อจริงของทีจริงของอ้งขอทีจริงที่มีอยู่ในนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทําให้เราเรียนรู้เข้าใจเพื่อ ลดหย่อนผ่อนเผาผ่อนผันบรรเทากองทุกความทุกในหัวใจของเราความสุขท่างหรายทั้งปวงก็ตามมาตามนั้นแหละสติปัญญามันก็เพิ่มพูนมาตามนั้นแหละความสุขความเจริญก็เพิ่มพูนมาตามนั้นแหละนะอันนี้เป็นธรรมะตอนรับปีใหม่อ <c oughs> นะเมื่อคืนก็พาทั้งส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อยู่แล้วเ <c oughs> จ้าของกลับไปถึงกุฏิ น, นู่นตีสองครซึง <c oughs> ่งใน ถือไหลพักเมื่อคืนเนี่ยที่สองครงึไม่จะเอาตลอดคืนก็ไม่ไว้รับตอนเช้ามาเรียเอาสักหน่อยอ <c oughs> เอาต่อไปรับพรนะรับพรเสร็จแล้วก็ไปรับทานไปรับทานอาหารในครัวมีอะไรก็เจออจารย์แจกจ่ายกันนะะขนมให้ให้เด็กให้ถึงมือเด็กทุกคนนะขนมนะอ่าแจกพ่ออยากแม่พ่อแ ม, อแม่ให้แจกเด็กอื <c oughs> ยะาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสักรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวัสมิจฉุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะทานมณีโชติระโสยะทาน โยวิวัจจัสสปพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารอนเทขาโยกมภาวะอภิวาทานสิลิสเนจังวุาม ที่นจากตารา กายังสุขังพาลังเสริอายุเจ้าวันน้อยจะพคังอวดเถกิยาสวสตวาสายโยจะชีวสิทธิพวันตุเตพวตุสาพมังคังรักขันตุสา วัตตาชาปทาทาโนภาเวนะสทธาสดทิภวันตุเตภวตุสัพภะรังรักขันตุสัพปเทวตาัปาาพปธรมาโนพาเวนะสทธาสทิภวันตุเต อมังคลังราคันโุสัพะเทวตาสัพะสังคานุนภาเวนสธาสถทิมภาวันตุเอม็ม